ธรรมบทแปลเรื่องที่เก้าบสองภาคที่สี่เรื่องนางปะตาจาราพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพระปะตาจาราเทรีตรัสพระคถานิว่าโยจะวัฏ ส, ะสะตังชีเวอปัสังอุทยับพยัง เอากาหังชีวิตตังสยโยปัสะโตอุทยบ พ, พยังกบูใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นความเดิมในเรื่องนี้คือนางปตจรานั้น ได้เป็นทิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40โกดในกรุงสาวัตถีและเธอเป็นผู้มีรูปงามในเวลานางมีอายุ16ปีมารดาบิดาเมื่อจะรักษาจึงให้นางอยู่บนปราสาทชั้นที่7ถึงเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็ยังสมคบกับคนรับใช้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 เสวยผลแห่งความชั่วของตนครั้งนั้นท่านตั้งขึ้นในท้องของนางแล้วนางมีคันแก่แล้วจึงอ้อนบอนสามีว่าใครๆผู้อุปการะักของเราไม่มีในที่นี้ธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายท่านจะนำฉันไปยังสำนักของมารดาบิดาของฉันเถิด ฉันจะคลอดบุตรในที่นั้นสามีนั้นขัดการว่าหนังผู้เจริญเจ้าจะพูดอะไรมานดาบิดาของเจ้าเห็นฉันแล้วก็พึงทากรรมกรคือการลงโทษมีอย่างต่างๆฉันไม่อาจไปในที่นั้นได้นางแม้อ้อนบอนแล้วแล้วเล่าเก็เมื่อไม่ได้ความยินยอมในเวลาที่สามีนั้นไปปลา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 นายลมเบ่งเกิดในกันของฉันปั่นปวนแล้วเตอนอนกลิ้งเกลียกยยนพื้นดินคลอดเด็กได้โดยยากแล้ว oh มีความคิดว่าเราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปนางปตาจราพร้อมด้วยสามีซึ่งกลับมาอย่างเรือนอยู่กับสามีอยู่ด้วยกันอีกเดียว ก็ในสมัยอื่นอีกคันของนางก็ตั้งขึ้นอีกนางเป็นผู้มีคันแกแล้วจึงอ้อนบอนสามีโดยในย่าก่อนนั่นแหละก็เมื่อไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตรด้วย เ, เออ ล, ลีไปอย่างนั้นนั่นแหละแม้ถูกสามีนั้นติดตามไปพบแล้วก็ไม่ปรารถนาจะกลับครั้งนั้นเมื่อชวนเหล่านั้น เดินไปอยู่มหาเมฆอันไม่ใช่ฤดูการได้เกิดขึ้นท้องฟ้าได้มีท่อทานตกลงไม่ขาดสายสายฟ้าแลบแปลกๆอยู่โดยรอบดังจะทำลายด้วยเสียงแผดแห่งเมฆในขณะนั้นลมเบ่งที่เกิดในการของนางก็ได้ปั่นป่วนขึ้นแล้วนางเรียกสามีมาแล้ว กล่าวว่านายลมเบ่งในกันของฉันเกิดปั่นป่วนขึ้นฉันไม่อาจจะทนได้ท่านจงหาสถานที่ที่ฝนจะไม่ตกรถฉันเถิดสามีนั้นมีมีดอยู่ในมือตรว ด, ดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดลาดับนั้นงูตัวหนึ่ง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 ได้เป็นด่งสีใบไม้เหลืองเหมือนไม่มีโลหิตเมื่ออรุณขึ้นนั่งอุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีด่งชิ้นเนื้อด้วยสเสลจูงบุตรอีกคนหนึ่งด้วยนิ้วมือกล่าวว่ามาเติพ่อบิดาเจ้าไปโดยทางนี้ดั่งนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่สามีไปเห็นสามีนั้น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 จึงเดินไป ก, ก้อนในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ำเยี่วตัวหนึ่งเห็นเด็กนั้นจึงโฉบลงมาจากอ า, ากาศด้วยสำคัญว่าเป็นชินเนื้อนางเห็นมันโฉบลงเพื่อต้องการบุรจึงยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังสามครั้งว่าสุสุเยียวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลย เพราะไกลกันจึงโฉบเด็กบินขึ้นสู่เวหาไปแล้วแม้บุตรคนโตผู้ที่ยืนอยู่ฝั่งนี้เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่น้ําจึงกระโดดลงในแม่น้ําโดยเร็วด้วยสําคัญว่ามารดาเรียกเราเยี่วโฉบบุตรคนเล็กของนางไปบุตรคนโต ถูกน้ำพัดพาไปด้วยประการชนีตอนนางทราบข่าวมารดาบิดาตายอีกนางปตจราเดินร้องไห้รำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่งถูกเหยียวโชบไปคนหนึ่งถูกแม่น้ำพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลียวเธอพบบุุษผู้หนึ่งเดินมาจากกรุงสาวัตถี จึงถามเกาบ่าอยู่ที่ไหนเขาตอบบ่าฉันอยู่ที่กรุงสาบถีนี่เองแม่เธอจึงถามเขาว่ า, าก็ตรรกูลชื่อนน้นเห็นป่านนี้ใกล้ถนนโ น, น้นในกรุงสาบถีมีอยู่ท่านทราบหรือไม่พ่อบุตรผู้นั้นฉันทราบดีแม่แต่อย่าถามถึงตรรกูลนั้นเลยถ้าท่านรู้จักตรรกูลอื่นก็จงถามเถิด ปตาจระกรรมด้วยตระกูลอื่นของฉันไม่มีฉันถามถึงตระกูลนั้นเท่านั้นแหละพ่อบุุษผู้นั้นแม่ฉันบอกก็ไม่ควรนางปตาจระบอกฉันเถิดพ่อบุุษผู้นั้นวันนี้แม่เห็นฝนตกคืนยังรุ่งไหมฉันเห็นอยู่พ่อฝนนั้นตกคืนยันรุ่งเพื่อฉันเท่านั้นไม่ตกเพื่อคนอื่น แต่ฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแก่ท่านภายหลังโปรโดบอกความเป็นไปในเรือนเศรษฐีนั้นแก่ฉันก่อนบุตุนั้นแม่ก็เมื่อคือนนี้เรือนล้มทับคนแม้ทั้งสามคือเศรษฐีหนึ่งภรยาเศรษฐีหนึ่งและบุตรเศรษฐีอีกหนึ่งคนทั้งสามนั้นถูกเผาบนเชิญตะกอนอันเดียวกันแม่เ อ, อ๋ย ควันนั้นยังปรากฏอยู่เลยในขณะนั้นนั่งปัจจราไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดลงถึงความเป็นคนวิกลจริตยืนตะลึงอยู่ร้องไห้บนเพอเซ่วนไปด้วยกับว่าบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชาย ผู้ถูกเผาบนเชิญตะกอเดียวกันคนทั้งหลายได้เห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นหญิงบ้าจึงถือเอาอยากเยื่อกอบฝุ่นโปรยลงบนศีรษะคว่างด้วยก้อนหินพระสัสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัททั้งสี่ในพระเชตวันมหาวิหารได้ทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมี มาแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิญารเดินมาอยู่ตอนนางได้ตั้งความปรารถนาไว้นในชาติก่อนก็ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่าปทุมุตตร์นางปตตาจารานั้นเห็นพระเทรีผู้สรงวิันรูปหนึ่งอันพระประทุมุตตร์าศาสดา ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตัทักคะดังเท้าสั ก, กจับที่แขนตั้งไว้ในสวนนันทวันจึงทำคุณความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าแม้หม่อมฉันพึงได้ตำแหน่งเลือดกว่าพระเทรีผู้ทรงวิดนยทั้งหลายในสำนักพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับด้วยพระองค์พระปัตุมุตระพระพุทธเจ้า ทรงเล็งอนาขตังสยานไปก็ทรงทราบว่าความปรารถนาจะสำเร็จซึจ่งพยากรบ่าก็ในอนาคตการหญิงผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าพระเตรีผู้ทรงวิหนยทั้งหลายมีนามบ่าปตาจาราในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าพระศาสดาทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้ว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 ท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้านี้มาที่นี่เลยพระศาสดาจึงตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าห้ามเธอเลยในเวลาที่นางมาใกล้จึงตรัสว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดนางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพในขณะนั่นเองในเวลานั้น นางกำหนดความที่ผ้านุ่งหลุดได้แล้วทำให้เกิดหิหริโอดตับปากขึ้นจึงนั่งกระยองคือคุกเข่าลงลาดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งจึงโยนผ้าห่มไปให้นางนางนุ่งผ้านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบประบาททั้งสองซึ่งมีชวีวันดังทองคมแล้ว ทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระชจ้าค่าเพราะว่าเ ย, ยวได้โฉบบุตรคนหนึ่งของหม่อมฉันไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเขาเผาบนเชิญตะกรเดียวกันพระศาสดาส่งสดับ ของนางแล้วจึงตรัสว่าอยากคิดเลยปตาจราเธอมาสู่สํานักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพํานักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างบ่าแบบนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยียวโชไปคนหนึ่งถูกน้ําพัดไปสามีก็ตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดา และพี่ชายถูกเรือนทับฉันใดน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายไปยังมากกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสีก็เะ่นั้นเหมือนกันดังนี้แล้วถึงได้ตรัสพระกาตานิว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันทุกขถูกต้องแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าน้องหญิงก็เมื่อพระศาสดาตระณมตคะปริยายาสูตรอยู่อย่างนั้นความโศกในสรีระของนาง ได้ถึงความเบาบางแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศกเบาบางแล้วทรงเตือนอีกแล้วตรัสว่าปตจาระาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกัน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 ไม่มีเพื่อต้านทานวิดาก็ไม่มีเพื่อต้านทานถึงพวกพ้องก็ไม่มีเพื่อต้านทานเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงามแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึ่งจำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียว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 ฝ่ายนางปตาจารานั้นเป็นพระโสดาบันแล้วทูลขอบรนประชาะกับพระศัสดาพระศัสดาทรงส่งนางไปยังสำนักของพวกภิกษุณีให้บรนประชาะแล้วนางได้อุปสมบทและปรากฏชื่อว่าปตาจาราเพราะนางกลับความประพฤติได้วันหนึ่งนางกําลังเอาหมอตักน้ําล้างเท้า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 สัตว์เหล่านี้ตายเสียในปตมวัยก็มีเหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งแรกตายเสียในมัดชิมวัยก็มีเหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งที่สองไหลไปไกลกว่านั้นตายเสียในปัจชิมวัยก็มีเหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งที่สาไหลไปไกลแม้กว่านั้นพระศาสดาประทับในพระกันทักุูดี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 ของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันตั้งห้าดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบต่ออนุสนธิจึงตรัสพระกาถานี้ว่าโยจะวัสะสะตังชีเวอปัสสังอุทับพบยังเอกาหังชีวิตตั้งส ย, ยปัสสะโต อุทะยบพยังก็ผูใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมอยู่พึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นวรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัป ส, สังอุทะยบพยังคือไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่ หมายความว่าไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่ด้วยลักษณะยีสหแห่งเบญจขันธ์คำว่าปัสโตอุทัยยับพยังแปลว่าของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมหมายความว่าความเป็นอยู่แม้วันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันทั้งห้าเหล่านั้น พระเสดกว่าความเป็นอยู่ของบุคคลแรกนั้นในการจบเทศนานางปตาาราบรามด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายดันงนี้แลเรื่องนางปตาจารา